เมโคปนาญาสัมมันโตสตตาธิการณ์สมัธาธรรมาอุเตสังอาชันเตอุปนุปปนานางธิการณ์นังสมาธายาปุปสมายตมุขะมินโยดาตัมโบสติมินโยดาตัมโบอมทมินโยดาตัมโบปติญญาตกรณงเยปุยติกาตตะปาปยติกาติหนาปฒาระโธติอุติถะขัวญาสัมมันโตสตตาธิการณ์สมัธาธรรมากระทาญาัมเตปุชามิติาตปริสุทธาลุตยังปิปุชามิติธาตริสุทธาตติยังปิปุชามิตจิธาตุริสุ อุดิตถังโคอาจตมัโตนิดานังอุดิตาจตารโปาราชิกาธรรมมาอุดิตถาเตรสะทังกาดิเทธาธรรมมาอุดิตถ้าเดเวอนิตาธมมาอุดิตถาปิงสันิกิยาปาจิติยาธรรมมาอุดิตถ้าเดเวนวติปาจิติยาธรรมมาอุดิตถ้าจตารโปาตัเดสนิยาธรมมาอุดิตถ้าเจกิยาธรมมาอุดิตถาจตารีกรนสัมมาธรมมาเอตกันตตาปะวาโตสุตตาจตังสุตตาปริยาปัังอันวัมาสังบุเดสังกาจะชเตสัทธัตเบเหวะสังเกหิสโมทนดมานหิอวิัมานีหิสิกิตตมันติพิคุปติ